เพราะว่าอย่างพระโมคขลีบุตรติดสัตว์อาจารย์ท่านสอนให้เป็นพระโสดาบันพอละที่เหลือก็ให้ไปเรียนพระธรรมก่อนพอเรียนพระธรรมเสร็จแล้วค่อยให้บรรลุค่อยแนะนําให้บรรลุมรรคผลชั้นสูงแล้วก็มีหลายองค์เนี่ยที่ถูกฝึกด้วยลักษณะนี้พระแสดงว่าการที่จะรักมีศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนาเนี่ยก็คือพระโสดาบันในสัตทินทรีย์ท่านบริบูรณ์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้ที่แวดล้อมพระพุทธเจ้า ท่านเหล่านั้นมีความปรานาน้อยมีปัญญาเป็นนักปราชญ์มีอาหารน้อยไม่โลเลยินดีทั้งลาบเสื่อมลาบเวทล้อมพระองค์ทุกเมือ่อก็คือท่านเหล่านั้นเป็นผู้มั่นคงไม่หวั่นไหวในโลกกระทำแปดก็คือพุทธสโลกรรทำเมหิจิตนังยสานกรรมปฏิอโศกังวีรชังเขมังเอตมังคลมุตะมังจิตของผู้ใดอันโลกกระทำแปดถูกต้องครอบงำแล้วก็ไม่หวั่นไหว เป็นจิตที่ไม่เศร้าโศกเป็นจิตที่กเกษมปลอดภัยเอต ม, มังคารมุตตะ ม, มังก็คือจิตของพระอรหันนั่นแหละสรุปว่าท่านเหล่านี้เป็นพระอรหันต์แวดล้อมพระองค์ท่านเหล่านั้นเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดยินดีในทุดงคือคุณธรรมเป็นเครื่องขัดเกลว์แห่งฌานมีจีวรเศร้าหมองยินดียิ่งในวิเวกเป็นนักปราชญ์ย่อมแวดล้อมพระองค์ทุกเมื่อ ท่านเหล่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติตั้งอยู่ในผลเป็นพระเสขะพรั่งพร้อมด้วยผลหวังประโยชน์อันอุดมย่อมแวดล้อมพระองค์ทุกเมื่อก็คือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีเนี่ยแวดล้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งท่านที่เป็นพระโสดาบันทั้งท่านที่เป็นพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระหันปราศจากมนทินแวดล้อมพระองค์อยู่ทุกเมื่อ สาวกของพระองค์เป็นอันมากฉลาดในสติปฐานสี่ตาวกเป็นอันมากฉลาดในสติปฐานสี่ของเราฉลาดในสติปฐานหรือยังมองเห็นกายปั๊บโโหสิบสี่บับท่ามาเลยนะเรียงกันเป็นลำดับเลยนะเป็นฉากเป็นฉากเลยนะเนี่ยลมหายใจเป็นเบื้องต้นกระดูกเป็นผงเป็นที่สุดมองปั๊บเนี่ยมองเห็นเลยเบื้องต้นบริบูรณ์อย่างนี้เดี๋ยวไม่นานก็กระดูกเลยแต่ผงแล้วนะเดีกไม่นานก็ผุหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือเลย ก็มองอย่างนี้แล้วอนุปัสนาเจ็ดยิงตามเป็นชุดๆเลยนะของเราชํานาญแบบนั้นไหมพี่ต๋อยเป็นยังไงเก็บเือบๆแล้วเริ่มแล้วนะมันสาธยาตะก่อนก็นแล้วกันถ้ายังทําไม่ได้ภาสาธยายไทยก่อนก็นะให้จิตมันส่องเสพอย่างนั้นไปบ่อยๆก็แล้วอนาคตก็จะเป็นไปได้เองนะขนาดเอามันนึกยังไม่ค่อยเอามานึกเอามาพูดก็ไม่มีเอามาพูดใจอยากบรรลุจริงก็ไม่มีถ้าอย่างนี้ก็เอวังได้เลยตกธรรมะตั้งนานนะคือไม่สามารถตรัสรู้ได้หรอ เพราะน้ก็เอามาสาธยายเอามาใคร้ครวนเอามาระลึกถึงบ่อยๆเธอให้จิตซ่องเสพแต่สิ่งนั้นบ้างคนบางคนเนี่ยเชื่อไหมถ้าไม่เอาเรื่องนั้นมาคิดเป็นร้อยครั้งนะั้นมันไม่เข้าใจเรื่องนั้นหรอกบางคนเนี่ยเป็นร้อยครั้งไปแล้วจริงจะรู้เรื่องอาตมาก็หนึ่งในคนนั้นด้วยไม่รู้ว่าถ้าบางเรื่องนะว่ากันจนสติประธานสูญเนี่ยเชื่อไหมวาม า, ามาว่าตั้งแตบปรสาหนึ่ง ทางนี้เป็นทางเอกเพื่อความหมดจดของสัตว์ทั้งหลายก็ว่าไปเรื่อยว่าวันหนึ่งเป็นรอบนะว่าวันตั้งหลายรอบแต่ก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละตั้งนานกว่าจะเริ่มระแคระคายนานจริงๆเลยเพราะฉะนั้นบางอย่างนะสิบปีก็ยังไม่สายบางเรื่องก็ตั้งไว้เลยว่าอีกสิบปีจะต้องเข้าใจเรื่องนั้นให้ได้ตอนนี้ก็ตั้งโครงการว่าสิบปีหรือยี่สบปีเนี่ยต้องเพ่งมาหาปัจฐานได้ก็ตั้งใจไว้แล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทำเนาะประธานก็ไม่ค่อยได้อ่านเท่าไหร่ แต่ว่าความตั้งใจอันนี้ไม่มีเลือกราบางเรื่องนี้ก็ต้องตั้งอัธยาศัยเอาไว้ก่อนถ้าไม่ตั้งอัธยาศัยเรียกว่าอะไรนะตะที่มุดตะตาเนี่ยนะไอ้ความโน้มเอียงที่จะให้คุณเหล่านั้นเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องโน้มไปซะก่อนใช่ไหมอย่างบางคนเนี่ยชวนมาอินเดียเนี่ยไม่ยอมมาเลยเพราะอะไรเพราะจิตเขาไม่ฝักใฝ่ที่จะมาคือไม่มีแนวโน้มเลยสนนํานาตัวการก็คือไม่มีเขาเลยอนะ คือมันก็เป็นอย่างนั้นบางคนนี่ไม่มีเขาเลยพอที่จะพูดได้เพราะอะไรแค่ใจอยากจะมีสิ่งนั้นยังไม่มีเลยไม่รู้จะไปนแนะนํากันตรงไหนไม่รู้จะขึ้นต้นตรงไหนเพราะว่าเขาไม่มีอัธยาศัยไม่มีแนวโน้มในตอนแรกให้มีจิตโน้มไปก่อนโอนไปก่อนส่วนเมื่ อ, อไหร่ค่อยว่าอีกทีนึงหรือบางคนก็พูดอะไรนะเรื่องนี้อยู่ในโครงการอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ทําอะไรดอกกําลังอยู่ในโครงการอยู่เงี้น พรภาษาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะที่แวดล้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยสติปัฏฐานสี่ยินดีในโพชฌงคภภาวนาแปลว่าท่านเจริญทุกอย่างเนี่ยน้อมไปเพื่อการปรสรูุเจริญสติธรรมวิจัยวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบขาการเจริญทุกอย่างของท่านน้อมไปเพื่อบรรลุอริยมรรคโดยส่วนเดียว น้อมไปว่าถ้าบรรลุได้ในวันนี้ก็ต้องบรรลุในวันนี้บางท่านอธิษฐานเลยวันนี้นะถ้าไม่บรรลุครั้งนี้ไม่ขอลุกอีกละท่า น, นบอกว่าถ้าไม่บรรลุไม่ต้องออกแล้วจากกุฏิหลังนี้นะก็มีการสมาทานแบบนี้ไม่ใช่น้อยนะในสมัยพุทธกาลหรือหลังพุทธกาลเนี่ยเขาถือว่าเป็นธรรมเนียมของผู้ปฏิบัติจะต้องตั้งแบบนั้นเลยเป็นธรรมเนียมที่เขาตั้งกันบ่อยมากบางกลุ่มเนี่ยบอกว่าทภาษานี้นะถ้าเราไม่บรรลุอะไรก็ไม่ต้องพูดคุยกันแนละ้พอแล้ คุยกันมาเยอะแล้วคุยยังไงมันก็คุยเพื่อวัตถายาวทั้งนั้นแหละบางท่านเนี่ยนะท่าอาหารมาคุยด้วยบอกว่านีมนตะครับเสียเวลาผมมากแล้วเนี่ยวา่าฮะใครรู้ไหมพระพาหยะเป็นต้นเนี่ยพระกุมารกัสตาพระพาหยะเนี่ยท่านเหล่านี้เนี่ยพระอาหารหมาคุยด้วยเลยท่านาคามีจะเอาอาหารมาถวายบอกนิมนตะครับเราไม่มีกติกากันท่านอย่าทาให้ผมเนิ่นเช้าเลยผมขอปฏิบัติของผมเนี่ยอะไรว่าไงแต่ว่ามันต้องเข้าใจชัดก่อนนะ เพราะว่าของเราไม่รู้อะไรเลยบอกอย่ามายุ่งกับผมเลยเนี่ยนีงง่เสร็จแน่อย่ามายุ่งกับฉันนะนีงง่เนี่ยแตไม่รู้ทําอะไรอยู่นะก็ะต้องสอบสวนตัวเองให้ดีๆเหมือนกันสรุปว่าสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ฉลาดในสติปัญฐานยินดีในโพชฌงค์ขภาวนาท่านเหล่านี้คือผู้ที่ติดตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ผู้ที่จะติดตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ไม่ใช่จะติดตามได้ง่ายๆนะทําไมรู้ไหม เพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์บอกแล้วว่าเราจะข่มแล้วข่มอีกเราจะขนาบแล้วขนาบอีกนะผู้ใดมีสาระผู้นั้นก็จะํารงอยู่ได้ท่านเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้ฉลาดในอิทธิบาทอิทธิบาทก็คือบาทแห่งฤทธ์ยินดีในสมาธิภาวนายินดีในสมาธินะสมาธิก็คือยินดีในสมะถะทั้งหลายมันประกอบในสั ม, มปทานสี่ย่อมเวทล้อมพระองค์ทุกเมื่อ ท่านเหล่านั้นมีวิชาสามมีอภิญยาหกถึงที่สุดแห่งฤทธิ์ถึงที่สุดแห่งปัญญาย่อมแวดล้อมพระองค์ทุกเมื่อผู้ที่บริบูรณ์จริงๆเหล่านี้ก็คือใครก็คือพระสารีบุตรพระโมคขลานะนั่นแหละพระสารีบุตรพระโมคขลานะเนี่ยเขาเรียกว่าอักระสาวกข้างซ้ายข้างขวาสมัยราชโบราณเลยนะใครจะนิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันเนี่ยถ้ามีอักระสาวกไปเนี่ยจะต้องมีพระพิสุรูปหนึ่งที่ตั้งอาสนะเป็นไปด้วย อาสนะพระพุทธเจ้าต้องตั้งตรงนี้อาสนะภาษาริบุตรอยู่ตรงนี้พระบุคลานะอยู่ตรงนี้โมู่พิสุอยู่ตรงนี้เขาก็มีเจ้าหน้าที่คอยจัดเสนาสนะไปดูในเรื่องจุลการมหาการนี่จะรู้บางคนนี่ถูกไปเป็นเจ้าหน้าที่จัดเสนาสนะก็เลยกลายเป็นครวาบเสร็จไปเลยก็มีพอไปเป็นเจ้าหน้าที่จัดเสนาสนะใช่ไหมถ้าจุลการก็เลยถูกแม่บ้านจับศึกเลยก็เลยต้องจัดเสนาสนะยาวเลยก็นี้อย่างนี้ก็มีนะสมัยพุทธกาลเนี่ย อย่าคิดว่าพระอรหันต์ตั้งหมดนะผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์ก็ไม่ใช่น้อยเนี่ยนะแล้าก็ามีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งมันชาวเมืองราชครึกนี่แหละเป็นพระที่เป็นลูกผู้มีฐานะมากเลยนะก็มาบวชพอมาบวชเข้าก็น่นไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่เมืองสาวัตถีเป็นพระที่มีชื่อเสียงมีความรู้ความสามารถมากแม่อยู่ทางนี้ก็เศร้าใจโอ้ยเนาะลูกชายของเรานี่ไปบวชตัดความสุขจากโลกก็เลยจ้างหญิงคณิกาไป ศึกเรียบร้อยเลยกันนี้อย่างนั้นก็มีเนี่ยนะสมัยพุทธกาลก็ไม่ใช่ว่าพระอรหันต์ทั้งหมดอะไรหรอกแต่ว่าคนเลวทั้งหลายก็ไม่รู้จะพูดถึงแล้วมันได้ประโยชน์อะไรเขาก็เลยเอาแต่เฉพาะพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่ตั้งแห่งอนุสติมาพูดมากล่าวมาแสดงแต่ก็มีในเทรีคาถาเทระคาถาเนี่ยบวชยี่หปีฟุ้งมาตลอดเลยไม่เคยสงบกับเขาสักทีก็มีทรรษาที่ยี่้าแล้วจึงได้บรรลุ โดยมากจริงๆแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเวลาพระองค์เสด็จไปที่ใดจะมีหมู่พระภิกษุแวดล้อมอย่างน้อยห้าร้อยรูปภิกษุที่ติดตามพระองค์อย่างน้อยห้าร้อรูปแต่ก็มีหลายครั้งมีเป็นพันพันรูปอย่างที่พระองค์เสด็จไปเมืองกบิลพัทเนี่ยตอนนั้นมีพระภิกษุติดตามเนี่ยสองหมื่นรูปแล้วก็บางช่วงนี้มีพระภิกษุติดตามเป็นหลายหมื่นรูปมากอย่างเมืองภัยาลีเนี่ยพรรษาสุดท้ายเนี่ย พระภิกษุเนี่ยไม่มีที่จำพรรษาในเขตเมืองอ่ะจะต้องไปอยู่ในหมู่บ้านบริเวณโดยรอบทั้งหมดสมัยนั้นเนี่ยพระอริยะเยอะมากนะในแคว้นเมืองไัยาลีเนี่ยถ้าว่าจริงๆแล้วถ้าลักษณะแบบศึกษามาเป็นอย่างดีนี่จะรู้ว่าเขตเมืองไัยาลีนี้ก็มีพระธรรมมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดเลยถ้าใครมาลักษณะแบบนั้นก็ต้องมาเช่าโรงแรมอยู่กันเมืองละเดือนอย่างเงี้ยนึงจะได้ศึกษาอย่างกว้างขวางแท้ๆเลยนะ ถึงว่าภาษาริบทกล่าวถึงว่าข้าแต่พระมหาวีระเจ้าบรรดาศิษย์ของพระองค์เช่นนี้หนอแลศึกษาดีแล้วหาผู้เสมอได้ยากมีเดชรุ่งเรืองแวดล้อมพระองค์อยู่ทุกเมื่อพระองค์อันศิษย์เหล่านั้นผู้สํารวมแล้วมีตาบะแวดล้อมแล้วไม่คลั่นครามดังราชสีย่อมงดงามดุจพระจันทร์ต้นไม้ตั้งอยู่บนแผ่นดินแล้วย่อมงามถึงความไพ่บูรและย่อมผลผลฉันใด ค้าแต่พระองค์ผู้สักกยบุตรผู้มียศใหญ่พระองค์เป็นเช่นกับแผ่นดินสิทธิ์ทั้งหลายก็ฉันนั้นตั้งอยู่ในศาสนาของพระองค์ย่อมได้อำมฤตผลผลคือพระนิพพานแม่น้ำสินธุแม่น้ำสรสศดีแม่น้ำจันทภาคาแม่น้ำคงคาแม่น้ำยมุนาแม่น้ำสรพูและแม่น้ำมหีแม่น้าเหล่านั้นไหลมาสู่สาคอสาครก็รับได้หมด แม่น้ำเหล่านั้นย่อมละชื่อเดิมย่อมปรากฏเป็นสาคร น, นั่นเองฉันใดแม่น้ำทุกสายไปรวมอยู่ที่ทะเลทะเลก็รองรับได้หมดเลยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นทะเลไปหมดวันนะสี่เหล่านี้ก็ฉันนั้นบวชแล้วในสำนักของพระองค์ย่อมละชื่อเดิมทั้งหมดปรากฏว่าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบุตรหมดเลย เรียบเหมือนดวงจันทร์อันปาสจากมนทินโคจรอยู่ในอากาศย่อมรุ่งโรดล่วงมวลหมู่ดาวในโลกด้วยรัศมีฉันใดข้าแต่พระมหาวีระเจ้าพระองค์ก็ฉันนั้นอันสิทธิเวทล้อมแล้วย่อมรุ่งเรืองก้าวล่วงเทวดาและมนุษย์ตลอดพุทธเขตทุกเมื่อพองค์นี้เป็นผู้รุ่งเรืองมีพระสาวกห้อมล้อมอยู่นะพระสาวกที่ห้อมล้อมพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นบุคคลธรรมดานะ โดยมากแสนกลับกันทั้งนั้นนะนะแต่ละคนเนี่ยมีบุญมาแสนกับแสนกลับแล้วเอาผู้มีบุญมารวมกันันกมากเนี่ยนะเหตุการณ์จะเป็นยังไงเหตุการณ์จะน่าดูสักเพียงไรเพราะทุกคนมีบุญหมดเลยนะก็เห<ๆ>มือนกับถ้าเป็นเนี่ยก็เอาผู้มีบุญมารุมรวมกันเยอะเนี่ยนะซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นธรรมราชาเนี่ยถ้าผู้มีบุญเหล่านั้นก็เหมือนอํามาตะผู้ใหญ่ซึ่งมีบริวารอีกคนละห้าร้อยห้าร้อยบางคนเนี่ยเกินห้าร้อยเขาอีกบางคนมีบริวารเป็นบันเนี่ย แล้วท่านเหล่านั้นเนี่ยมาห้อมล้อมมาอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะโดยที่ไม่ทะเลาะ ก, กันเนี่ยนี่เรื่องน่าอัศจรรย์มากโดยไม่มีการทะเลาะ ก, กันไม่มีการขเมเณรกันไม่มีการแข่งแย่งกันทุกคนพูดถึงกันด้วยพูดด้วยเมตตาพูดถึงกันด้วยความเคารพพวกนี้รุ่งเรืองก้าวล่วงทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหมดเคลื่อนตั้งขึ้นในน้ําอันลึกย่อมไม่ล่วงเลยฝั่งไปได้ เคลื่นเหล่านั้นกระทบทั่วฝั่งแล้วก็เป็นระลอกเล็กระลอกน้อยเรียร้ายหายไปฉั้นใดจริงๆเคยเห็นเคลื่นไหนมันล้นฝั่งมาบ้างไหยไม่มีเนาะชนในโลกเป็นอันมากผู้เป็นเดียร์ถีก็ฉันนั้นมีที่ที่ต่างกันต้องการจะข้ามธรรมะของพระองค์แต่ก็ไม่ล่วงเลยพระองค์ผู้เป็นมุนีไปได้ข้าแต่พระองค์ผู้มีพระจักษุถ้าชนเหล่านั้น มาถึงพระองค์ด้วยความประสงค์จะคัดค้านเข้ามายังสำนักของพระองค์แล้วย่อมกลายเป็นจุนไปใครที่เรียกว่าตั้งตัวเป็นศัตรูของพระพุทธเจ้าก็เหลือแต่ความเป็นผงกลับไปแต่ก็ไม่ได้ว่าพระองค์เห็นค่าอะไรเข้าเรอกันนะทิฐิที่ตั้งมาเนี่ยหายไปหมดแล้วบางคนเนี่ยเขาวางแผนมาเตรียมจะหาเรื่องพระพุทธเจ้าคิดผูกปัญหามาสี่เดือนด้วยกันถ้าเราถามานี้พระองค์ตอบมาอย่างนั้นเราต้องแก้อย่างนี้แก้อย่างนี้นเดี๋ยวก็กลืนไม่เข้าค า, ายก็ไม่ออกเสร็จรแล้วแนละ้ว嘛 ไปถึงแล้วพระองค์ก็แสดงธรรมให้ฟังไม่ได้ถามปัญหาสักคำหนึ่งนะบอกว่า oo, ดีใจเหลือเกินนะนี่พระพุทธเจ้าช่วยเราไว้นั้นเนี่ยถ้าเราถามปัญหาอันนั้นมานี่เสียคนเลยครั้งนี้นะพระพุทธเจ้ารักษาเราแบบนั้นเขาก็เป็นลักษณะนั้นนะนะทุกคนเหล่านั้นกลับตายเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าไปหมดที่เมืองเชตาวันนะยังขำอยู่เรื่องหนึ่งมีปริพาโชกคนหนึ่งเนี่ยเขาจะมาปรับวาทะพระพุทธเจ้า มาถึงซุ้มประตูเห็นซุ้มประตูวัดก็เลยพอแล้วบอกไม่ต้องคุยอะไรกันแล้วเห็นได้ซุ้มประตูวัดก็กลัวแล้วก็เลยไม่คิดจะสู้แก้ปัญหาอะไรก็วิจิตจริงๆนะหมูสัตว์เนี่ยอย่างเมืองราชเครือเราเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาในศึกษาประวัติชัมพุกาชีวกใช่ไหม ย, ยืนกินลมห่มอากาศอยู่ตั้งห้าสิบห้าปีอะกินอุจจระอยู่ห้าสิบห้าปีด้วยกันตอนหลังฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์ชื่อว่าชัมพุกาชีวก มีเหตุการณ์อะไรแปลกๆเยอะมากในเมืองราชครึกไปอ่านดูเถอดสีเล่มที่เรียบเรียงให้นะะเปรียบเหมือนดอกโกมุดบัวขมและบัวเพลินเป็นอันมากเกิดในน้ําย่อมเอิบออาบฉาบอยู่ด้วยน้ําและเปลือกตมฉันใดสัตว์เป็นอันมากก็ฉันนั้นเกิดแล้วในโลกย่อมงอกงามไม่อิ่มด้วยราคะและโทสะฉันนั้นคนเนี่ยไม่อิ่มด้วยความโกรธเลยนะโทสะนี้ไม่อิ่มนะมันได้เชื้อปั๊บเอาละติดอีกบางคนถ้าโกรธบ่อยๆเนี่ยโอ้ แบบตุ๊บติดตั๊บเลยนะโอ้ยคล่องมากเลยนะพร้อมที่จะบึ้งได้ทันทีเลยนะพร้อมที่จะโวยวาได้เพราะอะไรเพราะมันชันนาญมากเลยนะแล้วราคาก็เหมือนกันไม่รู้จักอิ่มเลยนะบอกว่าพอแล้วจะราคาเ อ, อ๋ยพอแล้วโทรศัเ อ, อ๋ยพอแล้วพอแล้วแหม่น้อยคนนักนะที่จะมีความรู้สึกว่าพอกันทีนะราคะพอกันทีนะโทรศัคุณกันตาคิดอย่างนี้บ่อยไหมพอกันทีแล้วราคาพอกันทีแล้วโทรศัพท์ เราจะเบียดเบียนข้าพเจ้าไปถึงไหนผลหมูสั์โดยมากแล้วไม่รู้จักเบื่อหน่ายในโทสะแล้วเขาไม่เคยคิดว่าเขากับโทสะมันคือศัตรูกันนะเขามองว่าโทสะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากต่อชีวิตของเขาอะไอ้ตรงนี้อะยากมากนี่ถ้าเขาขาดราคะไปแล้วชีวิตมันคงแห้งแล้งมากเพราะดาคะนี่คือส่วนหนึ่งของชีวิตก็เลยไม่รู้จักอิ่มด้วยอนานาจราคะโทสะ ไม่ยิ่มจริงๆเนี่ยนะจะกล่าวไปใหญ่ถึงโมหะพวกไม่ยิ่มในโมหะนี่เป็นยังไงบอกไม่รู้ก็ไม่เป็นไรได้ยินบ่อยไหมคํานี้นะไม่เห็นไม่รู้ก็ไม่เห็นเสียหายตรงไหนเลยนะนี่แสดงว่าอวบัรักเรามากเลยนะก็เราอยู่ของเราดีๆอยู่แล้วเนี่ยคนนี้ก็เราว่าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ฟังก็ไม่เป็นไรพลาดไปก่อนก็ไม่เป็นไรพวกไม่เป็นไรทั้งหลายเนี่ยแสดงว่ารักโมหะมากยินดีในโมหะแล้วก็อีกคําหนึ่งก็คือก็เรามันปุตุชนน คำนี้เนี่ยหัวอนุรักษ์นิยมได้เต็มที่ชาติหน้าเป็นยังไงก็ช่างเถอะทั้นี้ก็ช่างเถอะช่างเถอะทั้งนั้นนะนีก็ยังโยมคนหนึ่งก็บอกว่าชาติหน้ามันจะเกิดแมลงวันแมลงวีก็ช่างมันเถอะว่าไงไว้ชาตินี้มีอยู่มีกินก่อนก็ใช้ได้แล้วว่าไงเขาคิดอยู่เท่านั้นจริงๆนะแต่เขาก็จะสมพรตากดูแลเหมือนดอกโกมุตในตัวตมฉะนั้น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 แต่ก็ไม่แปดเปื้อนน้าฉั้นใดเนี่ยพระองค์ก็อาศัยโลกเจริญเติบโตมาในโลกแต่ก็ไม่เปื้อนด้วยโลกคือไม่มีกลิ่นอายของโลกติดอยู่เลยกลิ่นอายของโลกก็คืออะไรตันหาราคาเป็นต้นเนี่ยพระองค์ไม่มีเหลือเลยเปรียบเหมือนดอกไม้อันเกิดในน้ําเป็นอันมากย่อมบานในเดือนกติกา ม, มาสคือประมาณเดือนสิบเอ็ดไม่พ้นเดือนนั้นไปสมัยนั้นเป็นสมัยดอกไม้ น้ำบานฉันใดข้าแต่พระองค์ผู้ศักยบุตรพระองค์ก็ฉันนั้นเป็นผู้บานแล้วด้วยวิมุติของพระองค์พระพุทธเจ้านี่บานด้วยวิมุติความหลุดพ้นของพระองค์เนี่ยพระองค์ไม่มีหุบนะเนี่เคยได้ยินมาบอกพระพุทธเจ้าเครียดมากเขามีตำนานทางภาคเหนืออยู่เล่มหนึ่งพอมาอ่านแล้วก็ไม่ค่อยสมมนัตเลยเขาบอกว่ามีคนไปต้อนรับคล้ายๆว่าทําไม่ถูกใจพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเลยโกรธขว่างั้น บอกว่า โ, โหตำนานนี้เขียนมาได้ยังไงไม่ทราบตำนานเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเรียบโลกทางภาคเหนือเนี่ยมีอยู่เล่มหนึ่งเราไปอ่านถึงตรงว่าพระพุทธเจ้าไม่พอใจเนี่เราก็เลยคือเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้ากโกรธเขามีเขียนอธิบายให้รู้ว่าพระพุทธเจ้ากโกรธก็เลยฟังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้เป็นฉันนั้นเพราะพระองค์นี้เป็นผู้เบิกบานพาองค์ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีคําว่าเครียดหงุดหงิดเป็นต้นเนี่ยไม่มีมีแต่ความสุขโดยส่วนเดียว ใครจะนั่งด่าพราะองค์ทั้งคืนพระองค์ก็ยังมีความสุขอยู่ทุกคืนอย่างที่อนาถาบินทิกะใช่ไหมมาที่เมืองราชเครืออนาถาบินทิกาเนี่ยคืนที่ได้ยินคําว่าพุโทโธปฏิสโสมนัทมากดีใจมากอนาถาเนี่ยคืนนั้นเนี่ยแทบไม่ค่อยได้หลับพอเคลื่อนเคลื่อนไปไหนก็นึกว่าสว่างแล้วแล้วด้วยบุญเก่านี่ทําให้มองอะไรมันสว่างไปหมดแล้วก็เดินไปเดินไปสะดุดศพเข้าเอาปิติมันหายไปก็เลยมืดตามเดิม ตัวผีก็เลยกลับมาใหม่ก็มานอนอีกอยู่สามครั้งเกือบสว่างแล้วครั้งที่สี่เกือบสว่างแล้วก็ไปไปถึงก็บอกว่าพระ อ, องค์ยังหลับดีอยู่หรือโป่อองก็แต่แต่ว่าผู้ที่ไม่มีกิเลสอยู่เป็นสุขทุกเมื่อทุกสมัยนี่มาดูว่าพระ อ, องค์นี้เป็นผู้ที่เบิก บ, บานจริงๆเนี่ยคือพระ อ, องค์เนี่ยเป็นผู้ที่เรียกว่าพระขวาเนี่ยเพราะพระ อ, องค์เนี่ยเป็นผู้มีเดชมีอํานาจเพราะฉะนั้นพระ อ, องค์เนี่ยจึงไม่ได้ถูกใครครอบงําโดยประการทั้งปวง พระองค์เนี้เป็นอิสระชนอย่างอย่างสุดยอดของอิสระชนพระรหารทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ใช่อิสระชนเท่ากับพระพุทธเจ้าพระรหา์ทั้งหลายเนี่ยท่านต้องปฏิบัติตามนิไยที่พระพุทธเจ้าได้ได้วางระเบียบแบบแผนเอาไว้แต่พระพุทธเจ้าถามว่าจําเป็นอย่างนั้นไหมไม่ฉะนั้นพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่อิสระอย่างอย่างแท้จริงอิสระกับทุกเรื่องไม่ได้ขึ้นตรงต่อผู้ใดโดยประการทั้งปวง แต่จะว่าไม่ขึ้นตรงก็ขึ้นตรงขึ้นตรงต่ออะไรรู้ไ้ยขึ้นตรงต่อกรุณาขึ้นตรงต่อปัญญาเพราะพระ อ, องค์เป็นผู้เคารพธรรมก็คือเคารพธรรมบูชาธรรมสักการะธรรมถ้าอะไรเป็นธรรมเป็นไตเพื่อโลกุตระธรรมพระ อ, องค์ก็จะทำทั้งหมดในสิ่งเหล่านั้นเพราะพระ อ, องค์เป็นผู้เคารพธรรมสัตว์ทั้งหลายไม่ล่วงเลยพระาศาสนาของพระ อ, องค์ดังดอกบัวเกิดในน้าย่อมบานไม่พ้นเดือนกติกา ม, มาะนั้น เปรียบเหมือนพยาไม้รังดอกบานสะพรั่งมีเกลิ่นหอมตลดไปอันไม้รังอื่นแวดล้อมแล้วย่อมงามยิ่งฉันใดข้าแต่พระมหาวีระเจ้าพระองค์ก็ฉันนั้นบานแล้วด้วยพระพุทธยานพระพุทธยานก็เช่นอาสาธารณัยานหกพวกนี้ก็เป็นพุทธยานเนี่ยนะอันภิกษุสง์แวดล้อมแล้วย่อมงามเหมือนพยาไม้รังฉะ น, นั้นเปรียบเหมือนภูเขาหิมมาวาคือหิ ม, มาพาน เป็นโอสถของปวงสัตว์เป็นที่อยู่ของพวกนาฏอสูรและเทวดาทั้งหลายฉันใดข้าแต่พระมหาวีระเจ้าพระองค์ก็ฉันนั้นเป็นดังโอสถของมวลสัตว์ข้าแต่พระองค์ผู้มหาวีระบุคคลผู้บรรลุเตวิชาบรรลุอภัญญาหกถึงที่สุดแห่งฤทธิ์ผู้ที่พระองค์ทรงพระกรุณาพร่ำสอนแล้วย่อมยินดีด้วยความยินดีในธรรมย่อมยินดีอยู่ในาศาสนาของพระองค์ เมื่อพภาษาวกทั้งหลายเนี่ยนะที่ท่านเหล่านั้นที่เป็นพระอริยะนะท่านจะดีใจกันทุกคนเลยว่าท่านดีใจเหลือเกินที่ได้อยู่ในพุทธสํานักที่ดีใจเหลือเกินที่ได้มารู้จักกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นจึงยินดีในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างจริงเปรียบเหมือนราชสีผู้ผญาเนือ้อออกจากถ้ำที่อยู่แล้วย่อมเหลียวดูทิศทั้งสี่แล้วบรลลือศีหนาสามครั้ง เมื่อราชสีคำรามเนื้อทั้งปวงย่อมสะดุง้งแท้จริงราชสีผู้มีชาตินี้ย่อมยังสัตว์เลี้ยงให้สะดุ้งทุกเมื่อฉันใดข้าแต่พระมหาวีระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงบรรลืออยู่พระสุทานี้ย่อมวันไวสัตว์ผู้ควรจะตรัสรู้ย่อมตื่นหมมานย่อมสะดุ้งฉันนั้นใครที่ไม่สะดุ้งนะ่ะไม่มีเว้นแต่ผู้จะ บ, บรรลุธรรม ข้าแต่พระมหามุนีเมื่อพระองค์ทรงบรรลืออยู่ปวงเดรถีย่อมสะดุ้งดังฝูงกาเหี่ยวและเนื้อวิ่งกระเจิงพระราชสีฉะนั้นผู้เป็นเจ้าคณะทั้งปวงชนทั้งหลายเรียกว่าเป็นาศาสดาในโลกคือผู้ที่เป็นหัวหน้าหมู่หัวหน้าคณะเขาเรียกาศาสดานะท่านเหล่านั้นย่อมแสดงธรรมะอันสืบสืบกันมาแก่บริษัทโดยทั่วๆไปแล้วนะนักสอนทั่วๆไปเนี่ย ก็จําแบบสืบๆกันมาสอนกันอย่างเหมือนกรรมฐานในยุคนี้นะสืบๆกันมาก็ไล่ประวัติอาจารย์ปอ า, า, ยาอาจารย์บุรพาจารย์กันไล่ไปอย่างนี้เรื่อยเรียกว่าสืบๆอาจารย์กันมาซะส่วนใหญ่ข้าแต่พระมหาวีระเจ้าส่วนพระองค์ไม่ทรงแสดงธรรมแก่มวลสัตว์อย่างนั้นตรัสรูษษ้สัจจะทั้งหลายอริยสัจสี่ประการและโพธิปัจจัยธรรมด้วยพระองค์เองแล้วทรงทราบอัธยาศัยของสัตว์ คนนี้นะแก่กามัธยาใสคนนี้พยาตาทัทธยาัยมักโกรธคนนี้มักโลภคนนี้มักโง่คนนี้มักง่วงคนนี้มักนอนเป็นต้นเนี่ยคนนี้มักออกจากกามคนนี้มักไม่โกรธคนนี้มักมีเมตตาคนนี้มักตื่นเป็นต้นเนี่ยพระองค์จะรู้เลยว่าอัทธยาศัยก็คือมักเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนานๆบ่อยๆนี่เขาเรียกว่ามักมักจะคือแนวโน้มไปทางโน้นน่ะนะ หรือคนนี้กิเลสเขาเป็นอย่างนี้นะกิเลสตัวนี้มากตัวนี้อ่อนตัวนั้นยิ่งแล้วก็อินทรีย์ของเขาเนี่ยอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเจริญเอาแต่สัตว์ทินทรีย์เป็นต้นลดลงลดลงอย่างไงพองรู้หมดในอินทรีย์ยี่สิบสองอะไรจะเจริญแค่ไหนพงรู้แหละแล้วก็รู้อินทรีย์รู้ภะละและไม่ใช่พะละพะละห้าก็คือศรัทธาภะละเป็นต้นทรงทราบภาพภาพบุคคลและอภภาพภาพบุคคลภาพภาพบุคคลก็คือผู้ที่สมควรจะ บ, บรรลุ อภภ า, าก็ผู้ไม่สมควรบรรลุทรงบลูเหมือนมหาเมฆเคยได้ยินเสียงเมฆคำรามไหมบริษัทถึงนั่งอยู่เต็มตลอดพื้นที่สุดจั ก, กรวาลมีทิฐิต่างกันคิดต่างกันเพื่อจะทรงตัดความสงสัยของบริษัทเหล่านั้นพระองค์ผู้เป็นมุนีทรงทราบจิตของบริษัททั้งปวงทรงฉลาดในข้ออุปมา ต, ตัดแก้ปัญหาข้อเดียวเท่านั้นก็ตัดความสงสัยของสัตว์ทั้งปวงได้ มาเป็นจักรวาลเหมือนกันเถอะพื้นที่หมูสัตว์เนี่ยคลุมจักรวาลโพรุงอุปมาครออุปมาเดียวนะความสงสัยทั้งหมดหายหมดเลยก็คิดง่ายๆอย่างนี้ว่าสมมติว่ากลางคืนนะมันมืดจริงๆเลยนะดวงอาทิตย์ขึ้นมาทําไมมันสว่างไปหมดมันหายโดยดวงอาทิตย์ขึ้นดวงเดียวเนี่ยนี่เรื่องความมืดเหล่านั้นมันหายไปไหนหมดตอนไม่มีดวงอาทิตย์เนี่ยอยมันน่ากลัวไปหมดอนะมันมืดมันมืดจริงๆเลยนะพอดวงอาทิตย์ขึ้นมานะสว่างหมดเลย สีมีกี่ประเภทในโลกส่องให้เห็นพระพุทธเจ้านี้ประดุดดวงอาทิตย์ฉะนั้นน่ะส่องให้เห็นในความสงสัยทั้งมวลเนี่ยท้าวทังหมดเลยเมื่อพระองค์แสดงธรรมเมื่อไรเนาะเราจะเป็นอย่างไงบ้างนะแผ่นดินนี้พึงเต็มไปด้วยต้นไม้หญ้าและมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหมดนั้นประนมมืออัญเชิญสันเสริญพระองค์ผู้นายกของโลกหรือว่าเขาเหล่านั้นสรรเสริญอยู่ตลอดกับ พึงสรรเสริญด้วยคุณต่างๆก็ไม่สรรเสริญคุณให้สิ้นสุดประมาณได้เอาเลยทั้งโลกนี่ไม่ต้องทําอะไรละทุกคนมาร่วมกันสรรเสริญพระพุทธคุณอย่างเดียวเขาบอกสรรเสริญเนี่ยตลอดกลับก็สรรเสริญไม่หมดอย่างที่เขาบอกว่าบุตษมีฤทธิ์อัศจรรย์อยู่คนหนึ่งมีหัวร้อยหัวแต่ละหัวนี่มีร้อยปากแต่ละปากมีร้อยลิ้นไม่ต้องทําอะไรแล้วสรรเสริญพระพุทธคุณอย่างเดียวเนี่ยตลอดกลับ ตับเนี่หมดไปก่อนแต่ว่าคุณของพระพุทธเจ้าไม่หมดพระองค์นี่มีคุณมากขนาดนั้นมากขนาดนั้นก็ยังไม่ค่อยจะเห็นนี่เลยปัญหาบอกว่าพระพุทธเจ้ามีคุณเยอะไม่เยอะมากบอกชมสักยี่สิบนาทีดูสิอเอชัดยุ่งแล้วนะตอนเนี้ยแต่ว่าเยอะเนี่ยว่าได้ใช่ไหมอู้เยอะยิ่งใหญ่มากลึกซึ้งดีแล้วเกินไอ้เนี้ยรองว่าออไปเรื่เนี่ยนะไม่ได้อย่างไงนะให้ตรงนี้เสียหายมาก พระตถาคดเจ้านี่มีพระคุณหาประมาณไม่ได้ด้วยว่าพระมหาชินเจ้าอันใครๆสรรเสริญแล้วด้วยกําลังของตนเหมือนอย่างนั้นชนทั้งหลายสรรเสริญจนที่สุดกลับก็พึงสรรเสริญอย่างนี้อย่างนี้ก็วิธีการสรรเสริญก็สรรเสริญด้วยศีลสมาธิปัญญาสรรเสริญด้วยพระรูปประกายบ้างพระนามกายบ้างเพราะการสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้านี่แบ่งย่อย่ๆแล้วมีอยู่สามกลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเขาเรียกว่าบุพพจริยาคุณ คือพระคุณที่พระองค์ได้ประพฤติมาบำเพ็ญมาในอดีตสองก็พระสรีระคุณว่าพระองค์นี้ประกอบไปด้วยมหาพฤติลักษณะอย่างไรประกอบไปด้วยอนุพยัญชนะอย่างไรประกอบด้วยรัศมีอย่างไรมีอิริยาบถเช่นใดเกี่ยวกับเรื่องรูปปาจจยทั้งหลายอย่างที่สามก็สรรเสริญคุณะคุณคุณะคุณก็คือคุณมรรมต่างๆของพระองค์มีอรหันตะคุณเป็นต้น ซึ่งเราก็มารู้อะไรพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณแล้วก็พระกรุณาคุณพ่อมีปัญญายังไงก็เป็นต้นเนี่ยถ้าสรรเสริญก็สรรเสริญด้วยคุณธรรมสมประการเหล่านี้ถ้าพูดแบบย่อๆนะแต่ก็จริงๆแล้วก็ไม่มีใครสรรเสริญได้หมดได้จบได้สิน้นถ้าว่าใครๆเป็นเทวดาหรือมนุษย์ผู้ศึกษาดีแล้วพึงสรรเสริญให้สุดประมาณผู้นั้นก็พึงได้รับความลําบากเท่านั้นบอกว่าฉันเนี่ยจะชมให้หมดเลยนะ ไปคิดการใหญ่เกินไปเหมือนกับบอกฉันจะต้องถมทะเลให้เต็มให้หมดอย่างเง้ยนะถามว่าความคิดอันนี้ควรคิดไหมจะถมทะเลให้เต็มให้หมดได้ให้เป็นเดแผ่นดินไปเดียวกันให้หมดก็บอกโอ้ยไปคิดการใหญ่เกินไปมั้งเปลี่ยนไปคิดงานเล็กๆเถอะข้าแต่พระองค์ผู้ศักยญบุตรมียศมากข้าพระองค์ตั้งอยู่ในศาสนาของพระองค์ถึงที่สุดแห่งปัญญาแลว้วเป็นผู้หาอาศวะไม่ได้อยู่ ผู้มีปัญญาถึงที่สุดไม่มีกา ม, มาสะวะเหลืออยู่เลยไม่มีภาวาสะวะทิฏฐาสะวะและออวิชชาสะวะข้าพระองค์จะย่ำยีพวกเดรถียัยงาศาสนาของพระชินเจ้าให้เป็นไปวันนี้เป็นธรรมะเสนาบดีในาศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าสากยะบุตรก็คือเป็นเสนาบดีเนะสานาบดีก็คืออะไรสมัยนี้เ็าเรียกนายกรัฐมนตรีที่ทางาน ต่างประเทศทกันรับบริหารบ้านเมืองทั้งหมดเรียกว่าเสนาบดีถ้าเสนาบดีถ้าเป็นสมัยใหม่เขาเรียกว่ารัฐมนตรีเนี่ยสมัยใหม่ก็ว่าเช่นเสนาบดีคลังอย่างเงี้ยนะก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลรังต่อตาแหน่งเสนาบดีสมัยใหม่นี้เน้นไปที่รัฐมนตรีถ้าโบราณเลยก็เป็นกลุ่มนายกกรรมที่ข้าพระองค์ทําแล้วหาประมาณไม่ได้แสดงผลแก่ข้าพระองค์ณนะที่นี้ ข้าพระองค์เผากิเลสได้แล้วดังกำลังลูกสอนพ้นดีแล้วสักวันหนึ่งนะบุญที่เราได้ทำไว้ให้ผลนะอุปนิสัยตัดใจตัวนี้เจริญเติบโตเต็มที่นี่ต้องตัดกิเลสได้แหละมนุษย์คนใดคนหนึ่งเทินของหนักไว้บนศีรษะเสมอต้องลำบากด้วยภาระฉันใดมาที่เมืองแขกเห็นไหมลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยมันทูนของเป็นหมดเขาบอกว่าประเทศที่ชอบใช้หัวไม่ชอบใช้บา ก็คือแขกไงแหละว่าเออาเนี่ยกยกใส่หัวหมดก็เลยเรียกว่าใช้หัวเนี่ยภาระเราต้องแบกอยู่ก้อนฉันนั้นใครที่แบกขันห้าอยู่นะแบกมหาภาระคือขันห้าก้อนฉันนั้นเรคิดดูนะแบกคนละห้าหกเจ็ดสิบกิโล ไ, ไปไหนไปเปล่าไปด้วยนี่ก็ต้องแบกอยู่อย่างนี้ขึ้นห้องนะเดี๋ยวพวุ่งนี้ขึ้นเขาพิจิตรก็ต้องแบกพาเข้าขึ้นไปทั้งลำนีอ่นนะพาไปทั้งหมดเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันแบกภาระเนี่ยนะแบกรูปตะขันมันก็หนักเต็มทีแล้ว แบกเวทนาที่มันหนักมากเลยแบกเวทนาอีกแบกสัญญาอีกแบกสังขารแล้วก็แบกวิญญาณแบกขันห้าป้ยแล้วก็ถูกไฟสามกองเผาอยู่เองนะแบกของหนักแล้วยังไม่ว่าแล้วมันร้อนดีต่างหากเนะี่ยเพราะไฟมันไหม้หยุดตุบะนะไฟคือราคะเผาบางไฟคือโทสะเผาบางไฟคือโมหะเผาบ้าง